เรื่องพระเทระผู้ตั้งอยู่ในธรรมพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบโลกพระธรรมิกะเทระดังได้สดับมาอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีอยู่ครองเรือนโดยชอบธรรมเป็นผู้ใกล้ออกบวชจึงพูดกับพัญญาขอบวชพัญญาอ้อนวอนว่าขอให้นางคลอดบุตรก่อนเขาคอยแล้วในเวลาที่เด็กเดินได้จึงอัมลาพัญญา นางวิงวอนว่าขอให้บุตรเจริญวัยเป็นหนุ่มเถิดเขาคิดว่าประโยชน์อะไรที่เราลาหรือไม่ลาเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนดังนี้แล้วจึงออกไปบวชเรียนกรรมฐานเฮียนอยู่ยังกิดแห่งบรรพชิตของตนให้สำเร็จแล้วจึงกลับบ้านมาเยี่ยมบุตรและพัญยาและได้แสดงธรรมให้ฟังแม้บุตรก็ออกบวชแล้วไม่นานก็บรรลุอรหัตฝ่ายพันยาเก่าของภิกษุนั้นคิดว่า เราจะอยู่ครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่าใดบัดนี้ประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนจึงออกบวชในสำนักภิกษุณีบวชไม่นานก็บรรลุอรหัตภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันว่าธรรมิกะอุบาสกบวชแล้วบรรลุอรหัตแล้วได้เป็นที่พึ่งแก่บุตรและพัญญาก็เพราะความพิกตนตั้งอยู่ในธรรมพระศาสดาจึงตรัสว่าธรรมดาว่าบัณฑิต ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นแต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึงโดยแท้ทรงตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนยอมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่พึงปรารถนาแวดแค้น และไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพนเป็นต้นดังนี้แหล